อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ93 1. นพิสูตกล่าวว่าท่านจงรู้จงให้จงนําสิ่งนี้มาเราต้องการสิ่งนี้ท่านจงทําสิ่งนี้ให้เป็นกัปปิยะ 2. อพิกษุไม่จงใจ3าพิกษุไม่มีสติ 4. ีพิกษุผู้ไม่รู้5้พิกษุวิกลจริต6กพิกษุต้นบัญญัติผู้ตักามาัสิกขาบทที่หนึ่งจบ